ที่เราสวดมนต์เมื่อสักครู่สังเกตไหมว่าใจของเรามันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บทสวดมนต์หรือว่าใจลอยไปที่อื่นและความรู้สึกเราเป็นอย่างไรนะเราสวดมนต์ด้วยความสุขที่สบายเป็นปกติหรือว่ามีความรู้สึกหนักอกหนักใจ หรือว่าคุนเคืองใจอะไรบ้างหรือเปล่าจริงอาการสดมนนะก็ไม่ได้ทำให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกใดๆนะหรือถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่สงบความรู้สึกที่เบาสบายได้ซ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีความหนักอกหนักใจหรือมีความุนเคืองนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจเรา ไปคิดถึงอะไรบางอย่างอาจจะคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ยังติดคาอยู่ในใจไม่ปล่อยไม่วางหรือว่าอาจจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างข้างหน้าที่กลายเป็นภาระทำให้หนักอกหนักใจดนระหว่างที่เราสวดมนต์ มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจะเจริญสติได้พร้อมๆกันเจริญสติหมายความว่าใครที่เราสวดมน์แล้วก็สวดมน์อย่างมีสตินะใจเราก็รับรู้อยู่กับการสวดมน์อยู่กับตัวหนังสือที่กำลังอ่านหรือว่าคำที่กำลังเปล่งออกมา คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีสติอยู่กับการสวดมนต์ไปได้ตลอดหรือว่าไม่ได้มีใจที่หรือว่าตามติดกับบทสวดมนต์ไปได้ตลอดเด๋ยอใจก็เผลอแว บ, บไปโน่นแวบบไปนี่นะเมื่อใจเผลอแว บ, บไปนะเรารู้ทันไหมนะแล้รู้ทันนี่รู้ทัน เร็วหรือเปล่านะบางทีคิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเผลอไปหรือเพิ่งแล้วลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่แล้วเราสังเกตม่พอเราลึกได้นี่จิตมันก็จะกลับมาเลยนะจิตมันจะกลับมาที่การสวดมนต์ถึงแม้ว่า จะอยู่กับการสวดมนต์ได้ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวไปอีกนะแต่ไม่อก็ตามที่จิตระลึกได้นะว่ากำลังสวดมนต์อยู่นะจิตก็จะกลับมาสิ่งที่ทำให้จิตระลึกได้เนี่ยอันนั้นคือสตินะความหมายหนึ่งของสติหรือหน้าที่หนึ่งขงสติของสติคือว่าระลึกได้ แะลึกว่ากําลังทําอะไรอยู่นะและทำให้กลับมารู้ตัวนะจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวลึกจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะอันนี้ก็เป็นงานของสติและเมื่อจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่า อยู่กับปัจจุบันนะสติทําหน้าที่นอกจากจะทําให้ช่วยให้เราระ ล, ลึกได้ในอดีตแล้วเนี่ยก็ยังทําให้มีความรู้ต่อเนื่องในสิ่งที่เป็นปัจจุบันด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเนี่ยอาจจะได้แก่กิจที่กําลังทําอยู่ เช่นสดมนต์กินข้าวเดินจงกรมล้างจานหั่นผักทำครัวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความนึกคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมานะและจิตก็ไปรู้นะ ถ้าเป็นจิตที่มีสติกำกับเนะี่ยก็จะเห็นนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่โดดเข้าไปยึดนะเข้าไปจับเข้าไปช่วยเข้าไปมีปฏิกิริยานะไม่ว่ายินดีหรือยินายหรือว่าเข้าไปยึดนะเวลามันเข้าไปยึดเนี่ยมันก็จะยึดมาเป็นเราเป็นของเราเสมอนะ มันจะเป็นธรรมชาติของอุปทานนะเพราะว่าเวลายึดเนี่ยเนะมื่อไม่มีสติมันก็ยึดมาเป็นเราเป็นของเรามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็ก็จะไปสำคัญมากหมายว่าฉันโกรธความโกรธเป็นของฉันนะซึ่งก็ถ้ากัดทำให้จมเข้าไปในความโกรธนะก็จะถูกความโกรธมันเผาสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ แต่ถ้าออกว่ามีสตินะจิตก็จะเห็นนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดความรู้นะรู้ในที่นี้คือรู้ตัวอารมณ์ที่เห็นด้วยสติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบเนี่ย มันก็เป็นปัจจุบันได้เหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันหรือปัจจุบันหรือว่าปัจจุบั น, นธรรมเนี่ยนะความหมายคือว่าสิ่งที่กำลังรับรู้นะหรือว่าสิ่งที่กำลังเกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงกิจที่กำลังทาอยู่ก็ได้นะความโกรเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบั น, นธรรมได้ถ้าหากว่าใช้สติเนี่ยนะ ก็ไปรู้นะหรือว่าดูมันนะอันสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันนะได้อย่างต่อเนื่องการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการปฏิบัติ พระพุทธเจ้านี่ก็จะให้ความสําคัญกับการทําปัจจุบันให้ดีการเกี่ยวข้องกับปัจจุบันให้ถูกต้องนะซึ่งก็คือการอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ได้เข้าไปยึดเข้าไปติดในปัจจุบันนะหรือปัจจุบันธรรมนั้นนะนะถ้าเรามันดูใจของเราบ่อยๆนะไม่ว่าทำอะไรก็ตาม นะแต่ไม่ใช่ทําไม่ใช่ดูใจในลักษณะที่เป็นการไปจ้องนะเช่นว่าขณะที่กาลังขับรถอยู่เนี่ยไม่ใช่ไปจ้องดูความคิดนะว่ามันเกิดขึ้นไหมมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่หมายความว่าในขณะที่เราขับรถแล้วก็ตาเรามองไปที่ถนนข้างหน้านะเราก็รับรู้นะถึงสิ่งที่อยู่บนถนน ไม่ว่าจะเป็นรถคันข้างหน้าหรือรถที่สวนเข้ามาหรือว่ า, าสิ่งที่อยู่สองข้างทางเราก็รู้โดยที่ไม่คลาดสายตานะแต่ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญนะเกิดใจลอยขึ้นมานะใจเผลอไปคิดนะเรื่องการทอกดกระถิ่นนะในอีก3มเดือนข้างหน้าใจมันเริ่มวางแผนแล้วว่า จะเอาซองไปปล่อยที่ไหนเนี่ยตรงนั้นแหละที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ทันเพราะว่ามันทําให้จิตเนี่ยคลาดเคลื่อนออกจากปัจจุบันธรรมไปปัจจุบันธรรมนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าหมายยังหมายถึงว่ากิจที่กําลังทําอยู่หรือกิจที่ต้องทำนะกาลังขับรถอยู่แต่ว่าไปนึกเรื่องการทอดพ้าปานะ ไปนึกเรื่องการทำบุญทำกุศลนี่มันไม่ถูกนะตอนนั้นเรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบั น, นธรรมแล้วจิตคลายเคลื่อนออกจากปัจจุบันไปนกาเรามีสติเนี่ยนะสติก็ทำให้เรารู้นะว่าใจนี่เผลอไปแล้วใจลอยแล้วนะมันก็จะนะพาจิตกลับมาอยู่กับการขับรถ ระหว่างที่เราขับรถเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เจริญสติได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเร า, ามีสติู่การขับรถได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยสติเราก็จะเจริญนะหรือว่าจะพัฒนามากขึ้นนะจริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะสติเนี่ยจำเป็นสำหรับการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พนะพุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกิจทั้งปวงไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยสติทั้งนั้นนะและการเจริญสติก็คือการที่เรามีสตินะอยู่กับกิจต่างๆที่กำลังทำอยู่ ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเดินจงกรมไม่ได้แปลว่าจะต้องมาสร้างจังหวะเท่านั้นนะแต่ว่าทุกอิรียบ ท, ทุกกิจกรรมนะมันเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นกิจที่จะต้องมีสตินะเข้าไปกากับอยู่ตลอดเวลาสมัยที่ไปปฏิบัติกัร หลวงพ่อเทียนใหม่ๆนะเพิ่งบวชมาได้ 2-3 สอาทิตย์นะก็ไปวัดสนามในหลังจากที่บวชมาได้สักสองอาทิตย์หนะลวงพ่อเทียนนก็มาแนะนำการปฏิบัตินะท่านก็แนะนำง่ายๆสั้นๆเรื่องการยกมือนะสร้างจังหวะยกเบิกก็ให้รู้สึกตัวนะก็มีความสงสัยถามหลวงพ่อเทียนว่า การปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติวัละกี่ชั่วโมงในใจก็คิดว่าก็คงประมาณ9้าโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นนะอันนี้ก็คิดแบบคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติและเพิ่งบวชคิดเหมือนก็ว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยมันมีชั่วโมงปฏิบัติเหมือนเวลาราชการ หลวงพอ่อเทวีทานตอบว่าทำทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนถึงเข้านอนเลยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหนักใจนะเพราะว่าแค่จะปฏิบัตินะเวลา7 8ดชั่วโมงนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักแล้วนี่หลวงพอ่อเทห้ท่านท่านว่าให้ปฏิบัติทั้งวันนะทีแรกเข้าใจว่าหมายถึงการปฏิบัติในรูปแบบนะ แล้วตอนนั้นก็ยังไปเข้าใจว่าการปฏิบัติหรือการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องของการไปบังคับจิตนะบังคับจิตแค่หนึ่งสองชั่วโมงนี่มันก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่าจะทู่ซีไอ้ทําถึงเจ็ดชั่วโมงก็ยังพอไหวแต่ถ้าให้ทำทั้งวันเลยเนี่จะไหวเลยแต่ที่จริงเนี่ยหลวงพ่าเทียนท่านนะตั้งใจที่จะบอกว่านะให้มีสติกับการกระทำอะไรก็ตาม ตั้งแต่ตื่นนอนมานะเริ่มตั้งแต่สลัดความง่วงออกไปให้มีความสึกตัวแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็ให้มีสตินั่นก็เป็นการปฏิบัติแล้วนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะเดินจงกรมนะเดินจงกรมเสร็จเราอาจจะเตรียมตัวไปบิณฑบาตนะเดินสะายบาตนะ ไป่างที่ศาลาที่นัดหมายสําหรับการแบ่งสายนั่นก็การเป็นการปฏิบัติแล้วนะคือไม่ว่าจะทําทอะไรเนี่ยถ้าทํำยังมีสตินะมันก็เป็นการปฏิบัติหรือว่าจะทําอะไรแทนที่จะปล่อยใจลอยก็ให้มีสตินะให้มีความรู้สึกตัวนั่นก็เป็นการปฏิบัติแล้วงั้นถ้าเรา ทำอย่างนี้เนี่ยนะการปฏิบัติมันก็ทำได้นะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนถึงเข้านอนนะและยิ่งถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ใช่ไปบังคับจิตไปเพ่งนะที่มือที่เท้านะหรือว่าไปจ้องมองความคิดไปดักดูความคิดเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยนะการปฏิบัติทั้งวันนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไร นะที่มันยากก็เพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกนะพยายามที่จะไปบังคับจิตนะที่จริงตอนที่หลวงพ่อเทียนมาสอนกรรมฐานท่านก็บอกตั้งแต่แรกเอาไว้ทาเล่นๆนะทำเล่ น, ๆ, นะลนๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆคือว่าทำโดยที่ไม่ได้ไปไปคิดจะบังคับจิตให้มันเป็นไปตามที่ต้องการ คือไม่ได้ทำด้วยความอยากนะอยากให้จิตสงบนะอยากให้จิตเป็นอย่าง้นอย่างนี้นะมันจะพังมันจะเผลอมันจะฟุ้งก็ชั่งมันนะก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทำจริงๆก็คือว่าทาทั้งวันนั่นแหละนะตั้งแต่นะตื่นนอนนะจนกระทั่งเข้านอนเลยคนส่วนใหญนะ่พอพูดถึงการปฏิบัติก็คิดว่าจะต้องไปทำอะไรกับจิต แล้วก็หนีไม่พ้นไปบังคับจิตให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการเช่นให้มันไม่ให้มันคิดมันคิดเมื่อไหรก็ไปเบรคมันไปห้ามมันนะทำอย่างนี้ไปนานๆก็จะเครียดที่จริงการเจริญสติเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันนะจะทําแล้วก็ตามก็ทำอย่างมีสติก็คือทําด้วยความรู้สึกตัวเพราะไม่ไก็ตามที่นะ มีสติอยู่เนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับสิ่งที่กําลังทําเมื่อจิตยอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพรุทธเจ้าก็ได้สอนนะว่าให้ทําความรู้สึกตัวในทุกเรียบทนะในกายอนุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยหมวดที่เรียกว่าอิริยาบถเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเดินก็ให้รู้ว่าเดินยืนก็ให้รู้ว่ายืนนั่งก็ให้รู้ว่านั่งนอนก็ให้รู้ว่านอนนะ ไม่ได้ไปบังคับกายให้มีการเดินการยืนการนั่งการนอนในที่ที่มันในทางที่มันเป็นการบังคับอะไรเลยก็แค่รู้เฉยๆนะว่าเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนนั่งก็รู้ว่านั่งนะจะรู้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องไปเพ่งนะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เดินก็ไปเพ่งที่เท้านะ ยืนกไปเพ่งที่เท้าหรือที่ลมหายใจนั่งหรือนอนก็เหมือนกันก็แค่รู้ในหมวดที่เรียกว่าสัพปปชัญญะหรือว่าความรู้สึกตัวท่านก็พูดนะอธิบายเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าให้ทําความรู้สึกตัวเวลาก้าวไปข้างหน้าหรือถอยข้างหลังนะให้ทําความรู้สึกตัวนะเวลามองหรือเหลียว ทำความรู้สึกตัวเวลาครองสังคาติเวลาอุ้มบาศเวลาห่มจีวรทำความรู้สึกตัวนะเวลาคูยเหยียดเคลื่อนไหวนะคูยเข้าเหยียดออกนะทำความรู้สึกตัวนะเวลากินเคี้ยวดื่มลิ้มนะอุจจาระปัสสวะรวมไปถึงเวลาเดินนะยืนนั่ง พูดนิ่งหลับนอนนะอันนี้ท่านก็พูดเป็นรูปธรรมเพื่อให้เราเห็นว่าไม่ว่าทาอะไรก็ตามเนี่ยเรียบบทเล็กหรือใหญ่นะไม่ว่าสิ่งที่ทํามันจะเล็กจะน้อยหรือว่าสําคัญแค่ไหนก็ต้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวแล้วนะเราจะรู้สึกตัวได้นะมันก็ต้องมีสตินะเพราะว่า ถ้าไม่มีสติใจลอยมันก็ลอยไปแต่พื้นตะพื้นจิตไม่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสักทีแล้วมันจะรู้สึกตัวได้อย่างไรนะพอใจเผลอคิดไปนะซึ่งเป็นธรรมดาของมันสติรู้นะก็พาใจกลับมาอย่างที่บอกแล้วว่าสตินั้นหน้าที่อันนึงคือความระลึกได้นะส่วนใหญ่เราใช้สติ ในเรื่องการระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งนอกตัวนะรองเท้าวางไว้ที่ไหนนะจอดรถไว้ที่ไหนบ้านอยู่ไหนนะกติที่พักอยู่ตรงไหนนี่เราเร า, เราระลึกได้เราถึงสามารถจะดําเนินชีวิตประจําวันได้ถูกนะรวมทั้งเวลาทํางานนะ เราก็ระลึกได้ถึงวิชาความรู้ถึงข้อมูลต่างๆที่มันเก็บไว้ในหัวก็มาใช้งานแต่ว่าสติยังทำได้มากกว่า น, นั้นนะไม่ใช่แค่ระลึกเรื่องนอกตัวเท่านั้นนะระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจด้วยนะกำลังทำอะไรอยู่นะบางครั้งก็ลืมตัวไปชั่วขณะเพราะว่าใจลอยที่กาลัง สวดมนต์อยู่ใจก็ลอยไอ้ตอนนั้นละลืมตัวไปแล้วว่ากำลังสวดมนต์หรือว่ากำลังเดินจงกรมอยู่แต่ว่าใจลอยไปไอ้ช่วงนั้นเนี่ยช่วงขนาดจิตนั่นแหละมันก็ลืมไปนะว่ากำลังเดินจงกรมอยู่เใ็จแล้วพอราลึกได้ว่าเออนี่เรากลาลังเดินจงกรมเรากำลังสวดมนต์นะความลึกได้นั่นแหละมันก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน สติยังช่วยทําให้เรารู้ทันนะในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนะเช่นอยู่ดีๆเกิดโกรธขึ้นมาหรือว่าเกิดดีใจขึ้นมานะจริงๆคำว่าอยู่ดีๆนี่มันก็คงไม่ใช่หมายความว่ามันโกรธขึ้นมาหรือดีใจขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือว่าเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ มันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดนะเช่นขณะที่กําลังสวดมนต์อาจจะมีเสียงโทรศัพท์ดังนะมีเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านนะทําลายความสงบก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมานะสติมันทำให้เรารู้ทันอารมณ์นั้นนะอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดนั้นะมันเป็นปัจจุบันนะที่สติเข้าไปรู้ รู้แล้วก็วางแต่ถ้าไม่มีสตินะจิตมันก็เข้าไปมีปฏิกิริยากับเสียงที่ดังนะเกิดความไม่พอใจหรือเมื่อเกิดความไม่พอใจแล้วก็ปรุงแต่งให้ความไม่พอใจมันกลายเป็นความโกรธอันนี้พ่อไม่มีสติแต่พอมีสติรู้ปุ๊บเนี่ยนะไอความโกรธเนี่ยมันก็เพลาลง เพราะว่าแทนที่จิตจะเข้าไปเข้าไปเป็นผู้โกรธหรือว่าไปสําคัญมั่นหมายเป็นผู้โกรธหรือไปจมอยู่ในความโกรธจงกระทั่งนะมันเกิดความรู้สึกร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาจิตก็สติมันทำให้เห็นนะหลวงอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้ว่ามันไม่เข้าไปเป็นเห็นนะพอเห็นแล้วมันก็วางได้นะ การรู้ด้วยสติเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมันทําให้วางได้นะความโกรธที่เกิดขึ้นความหงุดหงที่เกิดขึ้นแม้แต่ความดีใจนะเห็นแล้วมันก็จะวางได้เลยความรู้รู้ด้วยสตินะรู้แล้วมันทําให้ปล่อยได้ไ ด, ได้ง่ายรู้ทั้งโลกเนี่ยทําให้ยึดนะเช่นอ่า รู้ว่าจะมาจะมาวัดป่าสุโโตนะมันก็ต้องผ่านแก้งเคราะห์นะแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าไม่ต้องผ่านแก้งคระก็ได้นะมาทางภูเขียวนะไอ้สิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันตรงข้ามหรือมันผิดไปจากความรู้ที่เรารู้มาเราก็จะเถียง ว่าไม่ใช่นะก็ยังยืนยันว่ามันต้องมาทางแก้งคออีกคนบอกมาทางปูเขียวนะก็อาจจะเกิดการโต้เถียงกันได้นะเพราะรู้นะถ้ารู้แล้วไม่รู้ทันในความรู้นั้นเนี่ยมันก็เข้าไปยึดนะอะไรที่ผิดไปจากความรู้ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกนะ คนยิ่งมีความรู้ในทางโลกมากเนี่ยมันก็ยิ่งยึดติดมากเนี่ยโดยเพราะความและทำให้เกิดความหลงตัวด้วยว่าเออฉันรู้มากนะแต่ว่าการรู้นะในทางธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรู้โดยสติรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันรู้แล้วทาให้เกิดการวางนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็วางอารมณ์นั้นนะรู้ทางโลกนะแต่ว่าไม่รู้ทันอารมณ์นะ ก็ทำให้เป็นคนที่จมอยู่ในอารมณ์นะและพอจมอยู่ในอารมณ์แล้วเนี่ยไอ้ความความรู้ที่มีอยู่ในหัวสมองเนี่ยมันก็เอามาใช้ไม่ได้นะมันก็รู้แบบครึ่งๆกลางๆหรือเอามาใช้แบบครึ่งคึกลางกลา ง, ง, งอย่างเช่นคนเวลาตกใจเนี่ยนะหรือคนเวลาโกรธเนี่ยนะมันก็ทำอะไรผิดพลาดนะ หรือเวลาตกใจหลวงพ่ออาจารย์พุทธทานเคยเล่านะว่าเมื่อสมัยสัก5้าสปีมาแล้วเนี่ยมีแม่ลูกอ่อน เ, นเด็กตัวเล็กๆ เ, เ, เป็นทารกนะเล่นสตังเห็นสตังแดงนะสมัยก่อนมันเป็นสตังหนึ่งสตังทำด้วยทองแดงพอเด็กเห็นสตังก็หยิบใส่เข้าปากใส่เข้าปากปรากฏว่ามันติดคอเด็กหายใจไม่ออก แม่รู้ก็ตกใจนะก็ท่าที่กำลังหาทางออกทางแก้อยู่นะก็นึกขึ้นมาได้ว่าน้ำกรดเนี่ยมันกัดทองแดงได้ก็บังเอนะิญนมีน้ำกรดอยู่ใกล้ๆอยู่ในบ้านก็ไปคว้าน้ำกรดมาแล้วก็กรอกใส่ปากนะของเด็กนะก็ได้ผลอย่างที่ อย่างที่แม่ต้องการก็คือว่าไอ้สตังแดงก็หลุดจากคอไม่ติดคอแล้วแต่ว่าน้ำกรดอันนี้มันไม่ได้เล่นงานสตังแดงเดียวมันเล่นงานอคอของเด็กด้วยนะคอของเด็กก็ไหม้ไปเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้นะแบบครึ่งๆกลางๆคือรู้ว่าทองแดงเนี่ยมันกัดมันถูกน้ำกรดกัดได้ แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ฉเฉลียวใจว่าไอ้ทองแดงนี่มันไอ้น้ำกรดนี่มันก็เล่นงานนะคอของลูกน้อยตัวเองได้เหมือนกันอันนี้เรือว่ารู้แบบเป็นอ่ตอนนั้นปัญญามันออกมาแบบครึ่งคึ่งกลางๆเพราะความตื่นตกใจนะรู้ทั้งโลกแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ทันความไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะมันก็สร้างปัญหาได้ คนทั่วไปก็รู้นะว่าถ้าไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปฆ่าเขาเนี่ยติดคุกติดตารางแต่เวลาทละเลาะเบาแววงกันเนี่ยมันลืมตัวนะไอ้ความความรู้ว่าไปทำเขาเจ็บไปทำเขาตายนี่มันทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนได้ติดคุกได้เนี่ยมันลืมไปเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าฉันจะขอเล่นงานแกก่อนนะ เอาให้ตายไปเลยเอาให้เจ็บไปเลยไม่ได้คิดว่าผลที่ตามมาจะเกิดขึ้นยังไงกับตัวเองนะอันนี้เรามันลืมไปชั่วขณะพอจัดการเขาเรียบร้อยไปแล้วเขาบาดเจ็บเขาพิกการหรือเขาตายไปแล้วถึงค่อยถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยภัยกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วพอรู้อย่างนี้หลายคนนะก็หนีแต่บางคนก็เสียใจนะ กนตออรายที่เกิดขึ้นก็ฆ่าตัวตายนะยิงตัวเองตายก็มีแล้วอย่างที่ไปฆ่าก็าาเรียบร้อยแล้วให้ความรู้ทั้งโลกเนี่ยถ้ามันไม่มีสติไปกํากับนะมันก็เป็นประโยชน์น้อยนะหรืออาจจะกลายเป็นโทษด้วยซ้ำถ้าใช้ความรู้นั้นในการทำร้ายผู้อื่นงั้นนอกจากเรารู้ทั้งโลกแล้วเนี่ยเราต้องมีความรู้ตัวด้วยนะ ยิ่งรู้มากเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องทางโลกเนี่ยก็ยิ่งจำเป็นต้องมีความรู้ตัวนะมากํากับให้รู้ทันในอารมณนะ์ในการที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เลยนะในการที่ต้องรู้ทันอารมณ์ความสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่แต่เห็นสิ่งนอกตัวด้วยตา ห, หรือรับรู้ด้วยหูอย่างเดียวนะ มนุษย์เรามีสติที่จะสามารถเป็นตาในายให้เห็นจิตใจให้เห็นอารมณ์หรือรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้อาการที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สติหรือไม่ได้พัฒนาสตินะมันก็เหมือนกับว่าเสียของนะนะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าปล่อยให้ของดีมีค่าเนี่ยมันเปล่าประโยชน์ เสร็จแล้วก็ต้องเดือดร้อนเพราะการที่ปล่อยปาแล้วเลยนั้นแต่ถ้าเรามาเรามาอย่างนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าเราเห็นความสำคัญนะของการพัฒนาสติทำให้มีตาในที่จะมารู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบ ง, งาใจไม่ปล่อยให้มันมาบีบคั้นเผารนจิตใจนะอันนี้ก็เท่ากับว่าเรามี เครื่องรักษาจิตนะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีความทุกข์นะทุกกายมันเป็นเรื่องหนึ่งนะบางทีเราก็ห้ามไม่ได้แดดร้อนก็ทําให้ทุกกายแล้วกินอาหารผิดสำแดงก็ทุกกายแล้วแต่ว่าทุกใจนี่มันอยู่ในวิสัยที่เราจ ะ, ะป้องกันได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเจริญสติเป็นเรื่องที่ เราควรจะให้ความสำคัญเมื่อเห็นตหนักว่าการภาวนานี่เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะก็ต้องนะไม่ลืมนะการเจรษษษษิญสติการอาศัยหลักสติปัฏฐา น, เ, นเพื่อสร้างตานานให้รวดเร็วฉับไวและมีเครื่องคุ้มกันจิตอย่างแน่นหนามั่นคงเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะเอากับร